ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณทีมนมัสการที่นำเรานมัสการพระเจ้าวันนี้ไม่ต้องบอกขัวข้อเทศนะครับเพราะ Point ขึ้นไปแล้วครับครับเราดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมมารคโกบทที่หนึ่งข้อสิบหกถึงยี่สิบนะครับพี่น้องมีพระกัมภีไม่ว่าจะเป็นเล่มหนังสือเป็นสมาร์ทโฟนเราเปิดด้วยกันนะครับ ขับเชิญเราอ่านด้วยกันนะครับขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลีที่ก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือซีโมนและแอนดรูน้องของซีโมนกําลังทอดแหและอยู่ในทะเลสาบพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดักรหาปลาเขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันทีครั้นพระองค์ดําเนินไปต่ออีกหน่อยหนึ่งก็เห็นทอดพระเนตรเห็น ยากอ บ, บุรเสบิดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือในทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขาเขาจึงละเสบิดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้างและได้ตามพระองค์ไปขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าของการทรงนำที่มาจากพระองค์เพื่อขั้งหลายจะได้เข้าใจในน้ำพระทยัยพระวชนะของพระองค์พระประสงค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระคทั้งหลาย ขอพระคุณพระองค์ทีมงานได้มีโอกาสนมัสการพระองค์มีลมหายใจอยู่เพื่อจะสรรเสริญพระองค์และโปรดให้พระชนนในวันนี้ที่จะนำขับพระองค์ในในการติดตามพระองค์สถิตอยู่กับขับพระองค์เองที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการกล่าวถ้อยคําที่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องเคยหลับตาเดินไหมครับ หรือว่าเดินกรุงเทพนี่นองไม่ค่อยเห็นภาพนะครับถ้าใครเคยอยูอ่ตามต่างจังหวัดในคืนเดือนมืดและปิดไฟหรือว่าขณะที่พี่น้องอยู่ในห้องสว่างๆแล้วก็ปิดปิดไฟทันทีมันจะมืดทั้งหมดนะครับแล้วตาเราค่อยๆปรับแสง ค่อยๆค่อยจะมองเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขณะที่เขาดูแลแม่วัยจะเก้าสิบปีซึ่งตาบอดสนิทแม่ต้องให้ความวางใจลูกลูกจะพาไปไหนจะทำอะไรให้เธอต้องวางใจทุกอย่างขณะที่ลูกสาวพยายามที่จะ เรียนรู้ความรู้สึกของแม่นะครับเธอก็เลยหลับตาเดินบ้างปรากฏว่าชนโต๊ะบ้างชนเก้า อ, อี้บ้างพี่น้องมีประสบการณ์ครับในค่ายเมื่อต้นเดือนอาจารย์วาระให้พวกเรามีใครที่หลับตาเดินในในฐานเรียนรู้นั้นบ้างครับทุกคนร้นองแล้วใช่ไหมครับอ่าเป็นไงครับเราเดินเองไม่ได้ต้องมีคนพาเดิน ครับผู้หญิงคนนี้เขาจึงเลยรู้ว่าการที่เรามองไม่เห็นนั้นมันเดินทางด้วยความยากลำบากครับคริสเตียนเราต้องเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเราไปกับพระเจ้าแค่นั้นเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวออกไปกำลังขับรถ ออกโบดปั๊บแล้วโดนรถปูนชนโครมขอโทษผมไม่ได้แช่งนะครับยกตัวอย่างเล่นๆแล้วเราก็มีบางคนก็ไปรอเราอยู่ที่ข้างบนนู่นสวรรค์ น, นู่นเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่เรามีเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอาเมนไหมครับ ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเรียกสาวกขณะที่เขากําลังทํางานอยู่แปลกไหมครับพระเยซูไม่เรียกคนที่ว่างงานมีใครที่สาวกสิบสองคนมีใครที่ว่างงานอยู่ไหมครับเขาไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมมานี่สิเราจะจ้างท่านยกเว้นคําอุปมานะครับที่พรงออกไปตามให้ให้ใหใหในาย ที่ออกไปเรีเรยกไปเชิญคนมาแล้วไม่มาก็เลยไปเรียกคนที่แถวตามตลาดตามข้างทางแล้วให้เขามานะครับเราจะพบว่าทำไมพระเยซูเรียกสาวกเหล่านี้และพระองค์เรียกมาเพื่ออะไรพระองค์เรียกซีโมนเปโตรที่กำลังทอดแหเรียกยากบกับยอนที่ชุนอวนอยู่ แล้วก็แปลกอีกแล้วครับคนพวกนี้จะใจ ง, ง่ายไปหรือเปล่าครับพระคัมภีร์ใช้ว่าเขาตามพระองค์ไปทันทีเออใจ ง, ง่ายไหมครับถ้ามีคนชวนเราไปไปเที่ยวกันแล้วเราก็ลุกไปทันทีไหมครับเราก็ยังไม่รู้ว่าไปไหนแต่สาวกนี่ครับพระเยซูบอกตามเรามาเถิด ไปเลยนะนะครับแต่พี่น้องครับการที่สี่คนนี้พบพระเยซูครั้งนี้เขาไม่ได้พบครั้งแรกในพระธรรมยอห์นเราจะพบว่าเขาได้พบเคยมาเจอพระเยซูแต่ก่อนนั้นระหว่างที่มีการรับบฏิสัมมาที่แม่น้ําจอแดนแต่เขายังไม่ได้ตามพระเยซูยังไม่เรียกเขาพระธรรมมาระโกเลือกบันทึก ในตอนที่สําคัญสําคัญตอนที่เป็นไฮไลท์ก็คือตอนที่พระเยซูเรียกคนเหล่านี้ครับแต่คนเหล่านี้ล่ะแม้ว่าเขาจะมีงานล้นมือแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่ดีพร้อมเขาอาจจะเป็นคนที่ดีแตกเซลโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งนะครับดีแแล้วก็มีดีพร้อมนะดีแตกเขาเไม่ได้เป็นคนดี พร้อมแต่เขาเปโตรครับเป็นคนใจเร็วหุนหันพันแล่นมีเหตุการณ์อะไรที่มันหุนหันหรือว่ามีอะไรที่ต้องเร็วนี้เปโตรจะต้องเป็นคนหนึ่งเป็นคนแรกที่กระโดดพูดมาก่อนเสมอหรือว่าทําก่อนเสมอยากรบครับยากบนี้เขาบอกว่าเป็นคนขี้โมโหนะครับยอน ทเยอทยานแต่ชอบตัดสินคนอื่นโทมัสเป็นคนแบบไหนครับพี่น้องครับโทมัสอ่าบนจอบอกแล้วขี้สงสัยอ่ามัธิวอ่าถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีใครน่าคบสักคนเลยครับพี่น้องครับถ้ามีคนมีเพื่อนเราอย่างเงี้เราอยากคบไหมครับไม่มีใครอยากคบ แต่พี่น้องครับคนเหล่านี้เป็นเหมือนคนที่บาดเจ็บบนคนที่เจ็บป่วยที่ต้องการหมอและพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีความเมตตาพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้ความเมตตาแก่พวกเขาและพระองค์ก็ปรารถนาที่จะใช้ศักยภาพคุณภาพที่เขามีอยู่งานที่ล้นมือของเขาเนี่ยพระองค์คงเห็นแล้วว่า เขามีศักยภาพแค่ไหนนั้นพระองค์จึงเรียกเขาเมื่อเขาถูกเรียกแล้วเขาทำงานพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาเป็นอัครทูตทูตอัครทูตก็คือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ไปทำหน้าที่แทนถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ส่งใช้ไปถ้าเราถูกใช้ หรือเราเราถูกมอบหมายงานให้ทำสักอย่างหนึ่งบางทีผมนี่ชอบทำงาชอบมอบหมายให้พี่น้องทำงานแต่ผมไม่ค่อยให้อุปกรณ์พี่น้องครับโยนตแต่โจ์ไปอย่างเดียวเครื่องคิดเลขไม่ให้พี่น้องไปคิดเอาเอง อ, อย่างนี้แต่พระเยซูไม่ครับพระเยซูมอบหมายงานให้ทำแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าอนาคต เป็นยังไงเพราะให้ติดตามรู้แต่เป้าหมายว่าให้ไปจับคนแต่และพระเยซูก็ให้อำนาจนั่นคืออุปกรณ์อำนาจทำอะไรครับไปข่มขู่ลูกน้องแปบ่ครับไม่ให้อำนาจเพื่อขับผีได้รักษาคนป่วยได้เยียวยาจิตใจคนได้นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเราสาวก เพื่อเขาจะรับใช้เพื่อเขาจะติดตามพระองค์และอีกประการหนึ่งที่พระองค์ให้กับพวกเขาคือพระองค์ประทานความเชื่อให้กับพวกเขาพระองค์เห็นว่าเขามีความเชื่ออภินกช่วยบอกผมหน่อยครับความเชื่อคืออะไรครับความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่ เราไม่เห็นว่ามีจริงนั่นคือความเชื่อคนเหล่านี้มีความเชื่อและพระเยซูเจ้าให้ความเชื่อกับเขาในการที่จะมีสิทธิที่อํานาจเปลี่ยนแปลงโลกเพราะเขาทั้งหลายเหล่านี้เองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเปโตรเป็นคนที่ขี้โม โ, โหเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาถูกเปลี่ยนเป็นยังไงต่อและเขาได้รับความเชื่อ เขาได้ถูกเสริมสร้างความเชื่อบนลักษณะของความเชื่อของเปตโตรนี้พระเยซูกิจเจ้าถามกับเขานะครับว่าคนเหล่านั้นว่าเราเป็นใครเปตโตรก็บอกสารพัดว่าคนคนที่ติดตามพระเยซูคนที่มาหาพระเยซูบอกว่าพระเยซูน่าจะเป็นอเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะเป็นนักเทศ แล้วพระเยซูถามเปโตรว่าแล้วท่านล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรยอมรับครับว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่แหละคือความเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าจึงตรัสกับเปโตรว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร บนศิลานี้เราจะสร้างคริสจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีใช้เหนือคริสจักรหาไม่ได้เรามอบกุญแจแห่งสวรรค์ให้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดสิ่งใดในโลกนี้ก็ถูกกล่าวห้ามและท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในสวรรค์สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามและท่านจะอนุญาตสิ่งใดในโลกนี้สิ่งนั้นก็จะอนุญาตในสวรรค์ด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าให สิทธิอำนาจกับเปโตรและให้ความเชื่อแก่เขาวันนี้พระเยซูเจา้าให้การเรียกเสียงของพระองค์นั้นมาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันจงตามเรามาเถิดหลายๆครั้งเราตามเสียงอะไรบ้างครับ เราจะซื้อของเราก็ฟังเสียงใจตัวเองว่าต้องการอยากได้จําเป็นถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายนี่คือระดับความต้องการนะครับบางทีเราแค่เราอยากได้เราก็ฟังเสียงตัวเองอยากได้ก็ซื้อบางทีเราซื้อสินค้าวงเล็บเขาบอกว่าผู้หญิงชอบซื้อสินค้าเพื่ออยากได้ ของแถมบางทีซื้อสินค้ามาตั้งไว้เพื่ออยากได้สองแถมนะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องซื้อของแถมไม่ซื้อไม่ต้องซื้อเอาบินไปแลกของแถมก็ได้นะครับบางครั้งเราฟังเสียงแค่แค่อยากอาจจะไม่ใช่ความจ้องการหรือว่าความจำเป็นจริงจริงที่เราอยากได้แต่เราก็ฟังเสียงตัวเอง แต่เสียงของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เรียกร้องที่มีต่อพี่น้องและต่อผมเพื่อจะให้เรานั้นมีโอกาสได้ติดตามพระองค์มีโอกาสได้รับใช้พระองค์พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพในพี่น้องหลายคนดูแลครอบครัวอย่างดีหลายคน มีคำพูดที่ไพเราะหลายคนมีศักยภาพมีความสามารถในการฟังฟังคนอื่นเยอะโดยไม่เครียดหลายคนก็มีศักยภาพในการอชอบในการที่จะอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นพวกนี้แ ก, ก็เขาก็หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในความเดือดร้อนนั้นพวกนี้เขาจะเรียกว่า ทํางานอยู่กับความเป็นความตายของคนอื่นพวกทนายทั้งหลายเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงเห็นศักยภาพของพี่น้องที่มีอยู่นั้นพระองค์ทรงเรียกเพื่อจะให้เรา ต, ตามพระองค์เพื่อให้เราที่จะใช้ความสามารถนั้นในการรับใช้พระองค์พระองค์ทรงเห็นคุณค่าครับบางคนอาจจะสอนได้บางคนอาจจะพูดดลใจได้ บางคนแค่ยิ้มครับก็ทำให้บางหลายหลายคนนั้นมีความสุขเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าพี่น้องของเราคนที่เราเจอนั้นเขามีความทุกข์หรือมีความหนักใจหนักกหนักใจอะไรทั้งหลายแต่แค่เพียงเราให้รอยยิ้มให้การทักทายเขาก็มีความชื่นใจแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นต่างก็มีความต้องการที่จะ ได้รับความอบอุ่นได้รับความรักได้รับกา ร, รายอมรับจากผู้คนอยู่แล้วแต่เมื่อเราให้สิ่งนี้กับเขาพี่น้องครับนั่นเป็นสื่อง่ายๆเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราสามารถที่จะทำได้และเป็นการรับใช้พระเจ้าพระเยซูตรัสกับสาวกว่าเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้จับคนหรือว่าบุ็นผู้หาคนดังหาปลา สาวกของพระเยซูคิตนั้นห้าคนเป็นชาวประมงครับหนึ่งคนเป็นคนเก็บภาษีและคนอื่นๆก็พระกัมพีก็ไม่ได้บันทึกว่ามีอาชีพอะไรอีกบ้างแต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็คือว่าเขาเชื่อฟังโปร่งและเชื่อฟังอย่างง่ายๆนะครับหลายครั้งที่เราบอกว่าให้เรามีความเชื่อแบบเด็กพี่น้องจำได้ไหมครับที่ เปโตรกับพักพวกออกไปหาปลาคืนยันรุ่งเขาได้ปลาไหมครับไม่ได้แลวแถมพระเยซูยังจะมาขอเขาอีกต่างหากใช่ไหมครับแต่เมื่อเขาบอกแล้วว่าไม่ได้มันก็ท้าทายความมั่นใจของเขานะครับพระเยซูบอกย่อนอวนลงด้านนี้สิแล้วจะได้ปลาบ้าง ครับชาวนักทอดแหนักหาปลาถูกชายช่างไม้บอกว่าหย่อนอวนลงด้านนี้สิถ้าคิดอย่างเราอย่างเขาครับพี่น้องอยากอยากอยากห ย, ย่อนไหมครับเอ้ย hey, อันนี้คนนี้เป็นช่างไม้ไม่ใช่เหรือครับแต่สิ่งที่เขามีก็คือว่าโอเคท่านบอกใช่ไหม ผมก็จะหย่อนตามท่านและเมื่อเขาทำตามปรากฏว่าเขาก็ได้ปลาดตามความต้องการของเขาจริงๆพระเจ้าทรงเปลี่ยนความไม่ไว้วางใจเป็นความวางใจและเขาก็เห็นถึงความอัศจรรย์พระเจ้าทางานในชีวิตของเปโต ร, รเปโตรจากคนที่หุนหันพันเร้นเป็นคนที่ทาตามใจตัวเองเขาทิ้งความโมโหเขาเคยปฏิเสธพระเยซูเขาละการปฏิเสธนั้น เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเขาเทศนาในวันเพนเดคอสในวันที่มีผู้คนสงสัยว่าพวกนี้ทำอะไรกันมีคนเชื่อ 3,000 คนแล้วเทศอีกสอนอีกมีคนเชื่ออีก 5,000 คนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเปโตรและเปโตรยอง เขามีความเชื่อยังไงครับความเชื่อมีสีระดับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกเ mm hmm. ชื่อ believe ก็เชื่อก็คือเชื่อนะครับเชื่อว่ามีจริงเห็นด้วยนะครับความเชื่อระดับนี้นะครับซาตานก็เชื่อครับซาตานมันเชื่อว่ามีพระเจ้าพระเจ้า พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจัดการมันได้มันเชื่อระดับที่สองครับวางใจเชื่อความวางใจนั้นเป็นเหมือนเป็นความรู้สึกที่มีความมั่นใจผมเชื่อว่ามอเตอร์ไซครับจ้างเสื้อกักสีส้มที่วิ่งซอยสิบเก้านี้ยสามารถวิ่งพาเราไปปากซอยได้ แต่ผมก็เดินไปปากซอยนี่ผมไม่วางใจครับถ้าผมวางใจผมต้องโบกครับยอมเสียสิบบาทเพื่อจะไปปากซอ ย, เ, ยเริ่มวางใจแล้วนะครับะระดับต่อมาครับศรัทธาเป็นความเริ่อมใสเป็นความเชื่อที่สามารถที่จะเริ่มให้ความมั่นสัญญาแล้วเริ่มอุทิศ ต, ตัวเองผมอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ย บ้านเกิดมาหัวชนวัดไม่ใช่ชนโบสถ์ครับหัวชนวัดบ้านติดวัดเขาก็จะเวลาประกาศชื่อคนทำบุญเนียศรัทธาวัดบริจาคสิบบาทนะเวลาบอกตัวเลขนี่ต้องบอกยาวๆหน่อยสี บ, บาทอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าศรัทธาศรัทธาวัดนั้นศรัทธาวัดนี้นะครับ พอมาเป็นภาษาคริสเตียนเราก็บอกว่าสมาชิกบทนั้นสมาชิกบทนี้อ่ะความเป็นสมาชิกนี้เริ่มมีศรัทธาแล้วนะครับก็คือการไปร่วมการอุทิศ ต, ตัวเองาการให้คำมั่นสัญญาเมื่อเราว่ารับบัพติศมาราประกาศตัวนี้เราก็เริ่มเริ่มให้คำมั่นสัญญาี้เราศรัทธาแล้วครับแต่ที่สูงกว่านั้นคือเชื่อฟังเชื่อฟังง่ายๆครับก็คือทาตามนั่นเอง ถ้าเราเชื่อฟังเราก็ทำตามเดือนนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเราพูดถึงความการเชื่อฟังอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่เข้าไปตรงนี้มากแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานเป็นบรรทันฐฐานของความเชื่อของเราทำให้เรานั้นรู้จักที่จะเชื่อลำดับแรกเราเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราอาศัยพระวจนะของพระเจ้าในการที่จะดาเนินชีวิตพัฒนาความเชื่อ เข้ามาสู่ความศรัทธาแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนี้ด้วยความศรัทธานี้ซึ่งเราไม่มองไม่เห็นอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรายอมที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกับสาวกเหล่านี้เขายอมติดตามไปและภายหลังพระเจ้าถึงทาการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาสาวกบางคนเป็นคน เปโตรใช่ไหมครับเขาเป็นคนทอดแห่เป็นคนลากอวนเขาก็ประกาศที่หนึ่งมีคนเชื่อเป็นพันๆแต่บางคนเป็นคนตกเบ็ดเขาเริ่มต้นงานเล็กๆนั่นก็คือเขาก็พา คนมาเชื่อพระเจ้ามหาพรเยซูทีละคนทีละคนยาขอบใช่ไหมครับเป็นคนตกเบ็ดยากบก็พาย้อนมาหาพระเยซูนะครับสิ่งสุดท้ายในวันนี้สำหรับบทเรียนของเรานั้นนอกจากเขามีความเชื่อนอกจากเขาติดตามพระองค์แล้วท่าทีของการตอบสนองของสี่คนนี้ที่ผมได้กล่าวไปสักครู่นั้นนั่นก็คือว่าเขาติดตามพระองค์ไปทันที เขาตามพระองค์เขาละอาชีพละแหละบิดาละครอบครัวผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าพี่น้องต้องลาออกจากงานนะมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพี่น้องต้องทิ้งครอบครัวมาโบสถ์แต่ยิ่งเรารู้จักพระเจ้าเราจะยิ่งรักคนที่ทำงานเราก็จะยิ่งรักครอบครัวแต่ในที่นี้กำลังจะบอกว่าเมื่อเราให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา ครอบครัวเราก็จะยิ่งรักและเราก็ยิ่งจะดูแลอาชีพการงานเราก็จะทำให้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพเราจะสัตซ์ซื้อเราจะเพิ่มพูนศักยภาพเราจะช่วยเหลือคนอื่นเราจะเป็นคนนั้นที่มีความสามารถไว้วางใจได้ในที่ทำงานในที่ต่างๆที่เราไปอินทร r i t y ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือการเป็นคนที่ไว้วางใจได้เป็นคนที่ไว้วางใจในระดับที่สูงคือสามารถที่จะแนะนำและช่วยคนอื่นให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมได้นี่คือความสัตรอของคริสเตียนที่เราออกสาแดงออกมาอย่างเต็มศักยภาพของเรา ขอพระเจ้าทรงเมตตาในชีวิตของเราเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกเราติดตามพระองค์เป็นที่หนึ่งพระบัญญัของพระเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติม สิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั่นคือความต้องการความปรารถนาความจำเป็นของเราสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานครอบครัวความสัมพันธ์พระเจ้าก็จะเพิ่มพูนให้กับเราในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราจำเป็นและแม้กระทั่งบางสิ่งที่เราอยากได้นะครับแม้มันไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระองค์ก็จะให้ นั่นคือพระองค์จะเพิ่มพูนให้กับเราแต่สิ่งที่เราจะจำเป็นจะต้องทำนั่นคือเราวางใจในพระองค์เรายอมรับพระองค์และให้พระองค์เป็นเป็นที่หนึ่งอธิษฐานกับพระองค์พูดคุยกับพระองค์มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับที่มาเชื่อพระเจ้าเป็นนักธุรกิจทำงานเปิดร้าน เป็นเจ้าของตัวเองเป็นมีร้านที่เป็นเจ้าเป็นของตัวเองขณะที่เขารับฟังการสอนการเทศนาการท้าทายจากศีริบาลเรื่องการหยุดงานวันอาทิตย์มันก็เป็นสิ่งที่เสี่ยงถ้าเขาปิดร้านวันอาทิตย์เขาคำนวณแล้วว่าวันอาทิตย์มีไรายได้มากมายเพราะว่าวันหยุดคนก็มักจะมาซื้อของ แต่เขาก็อธิษฐานทดลองตามที่พระเจ้าให้โอกาสทดสอบพระองค์จงลองนเราเขาก็ทดลองทีแรกแร ก, รกล้ากล้ากลัวๆครับแต่เมื่อเริ่มต้นทำมอบกิจการไว้กับพระเจ้าปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันปรากฏว่าที่ปิดไปหนึ่งวันคือเปิด 6วันกับเปิดเจ็ดวันเปิดหวันรายได้เยอะกว่าเปิดเจดวันครับคราวนี้หยุดต่อเลยนะครับได้พักผ่อนได้สามัคคีธรรมและรายได้เพิ่มขึ้นนั่นคือประสบการณ์ที่พี่น้องของเราคนหนึ่งได้มีกับพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ท้าทายครับเราละครับ เมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเราไม่ได้ดั่งใจกางเขนที่เราแบกหรือภาระที่เรารับนั้นเราจะบอกว่าไงครับพระองค์เจ้าข้าขอวางกางเขนไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปจัดการกางเขนนี้ก่อนภาระนี้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ในคำอุปมาที่พระเยซูบอกว่าเมื่อ โร่งชวนเขาบอกว่าผมยินดีครับติดตามพระองค์แต่ขอแป๊บหนึ่งขอไปลาพ่อก่อนครับและอีกคนหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับผมยินดีติดตามแต่ผมขออนุ ญ, ญาตไปฝังศพญาติที่บ้านก่อนแล้วพระเยซูบอกตัดกับเขาว่าไงครับให้คนตายฝัง คนตายแต่ท่านไปทำงานแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนบทเพลงที่เราเคยร้องกันฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูแล้วพระรัชนะของพระเจ้าก็ยืนเชิญชวนกับเราว่าไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยมีนักดนตรีที่จะช่วย เพลงนี้ไหมครับแล้วเราจะร้องด้วยกันคอซีครับเดี๋ยวเราร้องด้วยกันนะครับขณะที่เราร้องเพลงนี้ให้เราคิดถึงความหมายของพระเยสูที่พระองค์การตัดสินใจของเราที่ตามพระองค์หลายครั้งเราอาจจะเจออุปสรรคปัญหาเราอาจจะเจอความทุกข์ยากลําบากเราอาจจะเจ็บป่วยขอให้เรามั่นใจที่จะตามพระองค์ไป ไม่หันกลับเราร้องด้วยกันครับฉันตัดสินใจ ล้วบอกกับพระองค์ว่าเราจะไม่หันกลับแม่ให้เรามองการเข็นของพระเยซูเจา้าทิ้งโลกไว้เบื้องหลังการเขนอยู่เบื้องฉา จะไปกับโรงแม่ไครไม่ไปด้วยก็ตามให้เป็นความมั่นใจของเร า, าที่เราจะตามกับโรวงไป พี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันอธิานส่วนตัวสักครู่หนึ่งมีท่านใดที่ปรารถนาที่จะให้เราร่วมกันอธิษฐานเพื่อท่านในความมั่นใจในการติดตามพระเยซูคริสต์เราอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอยากจะทิ้งการติดตามนี้และหันกลับไปหาโลก ให้เราขอต่อพระองค์มีท่านใดที่มีมีภาระห่างจิตใจมีความเจ็บป่วยปรารถนาที่จะให้พระองค์ช่วยพี่น้องที่มีความปรารถนาเชน่นนี้มีท่านใดที่จะให้อธิษฐานขอได้ชูมือได้นะครับที่เราจะอธิษฐานเพื่อท่านมีไห ม, มครับ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาที่จะมอบความไว้วางใจของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์ชื่อฝังพระองค์ติดตามพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้างคหลายได้ตัดสินใจติดตามพระองค์ไม่ว่ามีอุปสรรคมีปัญหามีความเหน็ดเหนื่อยขอประทานความมั่นใจให้ข้าพระองค์ที่จะไม่ท้อถอยขอประทานความเข้มแข็ง ความอดทนเมื่อเผชิญกับอุปสรรคปัญหาข้าแต่พระเจ้าขอบพระองค์ที่จะเดินเคียงข้างขับพระงทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระสัญญาของพระองค์ที่จะที่ทรงเป็นเพื่อนของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะชุดมือข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ข้างหลายที่จะลม้มลงขอมอบชีวิตไว้กับพระองค์ขอให้พระราชนะของพระองค์เกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนไม่ว่าพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไรครับทุกหลายขอมอบวว้ความไว้วางใจไว้กับพระองค์เพียงผู้เดียวในพระนามของพระเยซูริรเจร เ, เจ้าอเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ